เรื่องเล่าผีหลอนตอนบ้านเช่าหลอนเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรามีเหตุให้ต้องย้ายบ้านกระทันหันเนื่องจากบ้านเก่าที่เช่าเจ้าของบ้านเขาได้ขายซึ่งเจ้าของใหม่ที่จะซื้อก็จะรีบปรับปรุงและเข้าอยู่เลยทำให้เรามีเวลาหาบ้านใหม่เพียงไม่กี่วัน โดยขอจํากัดเรื่องเวลาทําให้เรากับแฟนต้องหยุดงานและวิ่งหาบ้านหามาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็ไม่มีบ้านพอที่เราจะเช่าได้เลยเพราะแฟนของเราต้องการบ้านที่มีที่เปล่าพอที่จะทํางานได้ด้วยก็เลยยากไปใหญ่จนเหลืออีกแค่สองวันจะสิ้นสุดสัญญาเราวิ่งเกือบทั้งจังหวัดจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งในอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีมีที่ว่างมีตัวบ้านและมีรัวรอบและรถสามารถเข้าไปจอดข้างในได้มีป้ายติดไว้เป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวแฟนเรารีบให้เราลงไปดูว่าใช้ป้ายให้เช่าไหมพอเราลงไปดูก็เห็นเป็นป้ายจางๆเขียนว่าให้เช่าแต่เบอร์โทรศัพท์เลื่อนหายไปแล้วไม่เห็นครบทุกตัว บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่ติดใครเลยจะหาคนแถวนั้นถามก็ลำบากมากเลยยืนแล้วลองสุ่มโทรโทรไปเกือบทุกเบอร์ที่พอจะเป็นไปได้ก็ผิดทุกเบอร์จนแฟนเราลงจากรถแล้วมาถามว่าเขาให้เช่าไหมเราก็เลยให้ดูป้ายแฟนเราก็ลองโทรไปปรากฏว่าติดและใช่เจ้าของบ้าน ปลายสายเขาก็บอกว่าอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวมาไขาประตูให้เพื่อที่จะได้เดินไปดูข้างในบ้านแฟนเราชอบบ้านหลังนี้มากเป็นบ้านชั้นเดียวสีเหมือนทาใหมรรอบๆ บ, บ้านก็มีพื้นที่เยอะมีโรงจอดรถสภาพโดยรวมแล้วสามารถเข้าอยู่ได้เลยเรารอได้ไม่นานเจ้าของบ้านก็ขับมอเตอร์ไซค์มา เขาเป็นผู้หญิงสมมติว่าชื่อพี่จินก็แล้วกันค่ะพี่จินยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาใสดีรีบเปิดประตูบ้านเพื่อให้ดูภายในบ้านสภาพบ้านก็ดีมากทาสีใหม่เหมือนเพิ่งปรับปรุงทาสีสันสดใสมีรั้วเล็กๆ ก, กั้นเหมือนทำแปลงผักข้างบ้านแต่รั้วมันสะดุดตาตรงที่มันเป็นสีส้มแปร เราอดถามเจ้าของบ้านไม่ได้ว่าพี่คะรั้วสีสดใสดีนะคนเช่าเก่าเขาทําไว้หรือพี่พี่จินก็บอกว่าอ๋อใช่เลยน้องเขาบูชาเงาะเลยชอบสีสดสดแจ๊ดๆจดดูในบ้านสิครบสีเลยทากำแพงคนละสีเลยชมพูม่วงเขียวพี่เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันแต่พี่ก็ไม่ว่าหรอกบ้านหลังนี้ซื้อไว กะว่าอีกสัก 5-6 ถึงปีมาอยู่ก็จะทุบหลังนี้ทิ้งแล้วจะสร้างใหม่ไปเลยพี่จินแกบอกว่าแกซื้อที่พร้อมบ้านหลังนี้ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงงานพลาสติกเล็กๆแกโชคดีเพราะตอนซื้อมานั้นเจ้าของเขาร้อนเงินเลยได้ราคาไม่แพงซึ่งเธอก็ซื้อเผื่อลูกๆโตนั่นแหละเราเดินดูรอบๆ บ, บ้านด้านหลัง เป็นห้องแยกออกจากตัวบ้านมีสองห้องซึ่งมีห้องน้ำในตัวดูสภาพแล้วน่าจะเป็นห้องพักคนงานข้างในนั้นก็มีเตียงเก่าๆ ก, กำแพงห้องมีข้อความเขียนเต็มผนังและพัดลมเพดานที่เหมือนจะหลุดดูแล้วสองห้องนี้อาจไม่ได้ใช้งานต้องปิดตายไปเลยแฟนเราชอบบ้านหลังนี้มาก โดยมีพื้นที่รวมๆเกือบไร่บ้านก็เข้าอยู่ได้เลยและมีที่จอดรถสะดวกรั้วสูงมิดชิดลมเย็นและสงบที่สำคัญค่าเช่าก็ไม่แพงกว่างบประมาณที่มีเราก็เลยตกลงเช่าในทันทีพี่จินบอกว่าให้เอากุญแจบ้านไว้เลยแล้วอีกสองสามวันพี่จะทำสัญญามาให้เซนและค่อยวางมัดจำแฟนเราก็โอเค เรายังคุยกันอยู่เลยว่าเจ้าของบ้านไม่เขียวไม่หวงของเราคงอยู่กันแบบไม่ลําบากใจคงเป็นเพราะเขาคิดจะทุบอยู่แล้วอันนี้เราคิดในใจนะคะวันเดียวกันนั้นเราก็ทยอยขนของย้ายเข้าบ้านและสำรวจไฟในบ้านสำรวจน้ำและอุปกรณ์ต่างๆว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ในบ้านก็ปกติดีแต่ที่ห้องคนงานด้านหลัง มีกลิ่นเหมือนหนูตายเหม็นโชยมาเป็นระยะๆคือกลิ่นมันแรงมากจนรู้สึกเวียนหัวสงสัยเพิ่งเนา่าเพราะตอนแรกยังไม่มีกลิ่นเลยแต่บอกตรงๆว่าเราไม่กล้าเดินไปดูคนเดียวก็เลยทนๆเอากว่าจะขนของเสร็จก็เลยค่าเราเหนื่อยหมดแรงก็รีบอาบน้ําและเข้านอนกันโดยที่ยังไม่ได้จัดของ ในตัวบ้านหลังนี้มีห้องน้ำและห้องว่างสองห้องห้องหนึ่งเราเอาไว้เก็บของและเป็นห้องเสื้อผ้าอีกห้องเราก็เอาไว้นอนห้องที่เก็บเสื้อผ้าจะอยู่ติดกับห้องคนงานด้านหลังคือเปิดหน้าต่างไปก็จะไปเจอห้องคนงานเลยซึ่งห่างกันประมาณสองเมตรในคืนแรกเราเหนื่อยและหลับสนิทแต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่น ก็เพราะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นอยู่ด้านที่เป็นห้องของคนงานหล่นใส่หลังคาเสียงดังมากซึ่งคิดว่าของที่หล่นมานั้นต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะมันดังมากดังเหมือนฟ้าผ่าเรากับแฟนก็มองหน้ากันแฟนเราหยิบไฟฉายจะออกไปดูแต่เราห้ามไว้เพราะเพิ่งมาอยู่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนเช้าค่อยไปดู แฟนเราก็บอกโอเคแล้วเราก็พากันหลับไปจนถึงเช้าตอนเช้าเราก็รีบไปดูที่มาของเสียงก็ไม่มีอะไรหล่นลงมามองดูรอบๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเศษวัสดุเลยเราก็แปลกใจแต่ด้วยไม่มีเวลาคิดมากเพราะต้องรีบจัดการเข้าของก็เลยปล่อยไปถึงช่วงเย็ยนของวันนั้น แฟนเราออกไปซื้อข้าวเราเลยต้องจัดของอยู่คนเดียวตะวันโผล่เพลก็ได้ยินเสียงดังเหมือนเมื่อคืนที่หลังคาของห้องคนงานนั้นอีกแล้วคราวนี้เราวิ่งไปดูเพราะอยากรู้ว่ามันคือเสียงอะไรโดยความที่มันเริ่มจะมืดแล้วมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดก็เห็นเหมือนลูกมะพร้าวที่ปอกเปลือกมันรุย้ยรุ่ยฟูฟูอยู่ด้านหลังห้องคนงาน ในใจก็คิดว่าใครโยนเข้ามาเพราะแถวนี้ไม่มีต้นมะพร้าวสักต้นลมที่ไหนมันจะพัดมาได้ระหว่างที่คิดก็เลยจะเดินเข้าไปดูไกลๆและจะเก็บไว้ให้แฟนดูพอเข้าไปใกล้มากๆเราก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนหมาตายยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งได้กลิ่นเหม็นตลบเราก้มไปไม้จะหยิบมัน แต่มันไม่ใช่มะพร้าวมันเป็นหัวคนเราตกใจวิ่งไม่คิดชีวิตใจเต้นตุบๆพูดไม่ออกร้องไม่ออกรีบวิ่งตรงออกนอกบ้านอย่างเดียวเปิดประตูรั้วแล้วลวิ่งสวนแฟนออกไปซึ่งตอนนั้นแฟนเรากำลังเลี้ยวเข้ามาเกือบชนเราแฟนเรารีบลงมาดูเรายังพูดไม่ออกในใจมันเต้นตุบๆแฟนเราก็ตกใจ ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเราจำได้ว่าเราพูดออกไปว่าผีหลอกผีหลอกแล้วก็หมดสติไปเลยพอตื่นมาอีกทีเราก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเรากลัวจนเป็นลมพอเราตื่นมาก็เล่าให้แฟนฟังแฟนเราไม่เชื่อบอกว่าเราตาฝาดคือเขาพยายามพูดให้เราไม่กลัวแต่เราไม่กล้าอยู่แล้ว กลัวผีแฟนเราใช้เหตุหวานล้อมต่างๆนานาเรื่องความจำเป็นแล้วรับปากว่าจะไม่ให้เราอยู่คนเดียวอีกเราเลยจำใจยอมยอมไปเรานอนที่โรงพยาบาลแค่คืนเดียวบายๆของอีกวันเราก็กลับบ้านแบบไม่อยากกลับเลยภาพมันยังติดตาติดใจกลิ่นเน่ายังติดอยู่ในรูจมูก เราบอกแฟนว่ายังไงเราจะไม่ไปเหยียบห้องคนงานข้างหลังอีกแน่จนเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เป็นปกติจนมาถึงวันหนึ่งเราไปติดต่อชาวสวนแถวนั้นเพื่อหาคนรับจ้างทางย่าแต่แปลกตรงที่พอตอนแรกเขาก็ตกลงรับงานแต่พอบอกว่าเป็นบ้านหลังไหนทุกคนก็ปฏิเสธหมด ไอ้เราก็แปลกใจแต่ไม่มีใครบอกเราหรือเล่าอะไรให้ฟังเลยมีแต่เรียบๆ เ, เคียงๆถามเหมือนอยากรู้ว่าเราเจออะไรแปลกๆไหมสรุปแล้วเราเลยต้องไปจ้างคนที่อื่นมาถางหญ้าที่บ้านจนมาคืนหนึ่งเราฝันว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่เยอะแยะเหมือนโรงงานเล็กๆห้องด้านหลังก็มีคนอยู่ เลี้ยงนกนั่งหน้าห้องดื่มเหล้าพูดคุยกันฟังภาษาไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากหลังบ้านทะเลาะกันเสียงดังเราสกิดเรียกแฟนให้ตื่นเรากับแฟนก็นอนฟังแต่ที่แน่ๆไม่ใช่คนแน่นอนคนที่ไหนจะมาทะเลาะกันในบ้านของเราสักพักเสียงก็เงียบไป เราสองคนตาสว่างกันทั้งคู่จนถึงเช้าแฟนเราก็ชวนกันเดินไปดูทุกอย่างก็ปกติแต่ที่เพิ่มมาก็คือรูปปั้นเงาะที่หัวหิกปากแดงตัวดำมันแตกหักกระจัดกระจายหลายตัวแขนขาหักหัวแตกซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีเรามองหน้ากันแบบคิดเหมือนกันว่าผีแน่ๆเราจึงรีบโทรนัดพี่เจ้าของบ้าน ยังไงวันนี้จะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่อยู่ต่อคงไม่ไหวแล้วเพราะไม่รู้ว่าอยู่กับใครหรืออะไรพ่อวางสายแฟนก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยอยู่หลังบ้านเราก็บอกว่าช่างมันเหอะไม่ใช่คนแล้วรีบไปหาพี่จินเหอะแบบนี้จะอยู่กันได้ยังไง เรากับแฟนก็ออกไปหาพี่จินเจอหน้ากันแกก็ยิ้มสวยเหมือนเคยไม่รู้เลยว่าเราต้องทุกข์ร้อนกันแค่ไหนเรากับแฟนก็ขาดคั้นและเล่าในสิ่งที่เจอให้แกฟังแกก็ยิ้มแห้งๆแล้วเล่าว่าตอนที่เป็นโรงงานพลาสติกมีคนงานขมรฆ่าปาดคอกันตายสองศพและก็ฝังไว้ศพหนึ่งอีกศพหนึ่ง ทิ้งไว้ที่บ่อน้ำหลังบ้านคนทําก็หนีไปตํารวจก็มาเจอแต่ศพเดียวที่อยู่ในบ่อน้ำส่วนที่ฝังไว้คนเช่าก่อนหน้านี้ที่บูชาเงาะเขาเพิ่งเจออีกศพซึ่งเป็นกระดูกฝังไว้ตรงซ้วมหลังห้องคนงานและเพิ่งแจ้งตํารวจมาขุดไปไม่นานนี้เองและเขาก็ย้ายออกไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนผิดจินแกไม่ใช่คนกลัวผี แกเลยไม่ได้บอกเราแต่แกเน้นเสียงว่าแกเอาพระมาไล่ออกไปแล้วแต่ไล่ยังไงผีมันก็ไม่ไปเราได้ฟังดังนั้นก็อยากให้พี่แกเป็นนอนสักคืนสองคืนจังเลยจากนั้นเรากับแฟนก็ย้ายออกในวันนั้นกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่ขืนอยู่ต่อไปไม่รู้จะกลัวหรือตกใจตายไปก่อนหรือเปล่าใครที่กำลังจะหาบ้านเช่า ก็ซืบประวัติก่อนจะดีมากใช่ค่ะผีมันทําอันตรายอะไรเราไม่ได้แต่มันรําคาญมากเสียจิตจิตตกไปหมดแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเรื่องเล่าห ล, หลอนจากคุณไขมุกด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนอย่าลืมกดติดตามช่อง เรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับ